เทศอบรมในคืนวันที่8เมษายน2599ณวัดป่าบรนตาศจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบวัวยาณสัมพนโนเสาท่านที่สัา่งมาถู่สถานที่นี้เว้นแล้วแต่ป็นท่านผู้มีเกียรติั้น ผมเขาว่าพระพุทธาศาสนาของเราเป็นาศาสนาที่กระเดื่องเรื่องดีทั่วทั้งไรพกแง่คำว่าศาสนานี่เป็นคําที่รวมอยู่แห่งาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งรวมอยู่ในคําว่าศาสนา เมื่อแยกประเภทออกไปแล้วก็มีหลายประเภทและมีหลายชั้นหลายขึ้ชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปและแยกออกตามประเภทของผู้จะพูงประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนถ้าจะเทียบอยุปมา ก, ก็เช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆ ทางห้างร้านได้สอบเสวีร์หามาไว้สำหรับต้อนรนับลูกค้าทั้งหลายมีจำนวนมากมายและมีหลายประเภททั้งคุณภาพต่ำปานกลางและสูงเยี่ยมก็มีทานตกตองการสินค้าประเภทใด ก็เลือกได้ตามความต้องการของตนของของมีจานวันมากวัตทุประเภทแห่งสินค้านั้นมีคุณค่าเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามีสูงต่ำต่างกันเท่านั้นที่จะไร้ประโยชน์เลย นั้นไม่ไม่ค่อยมีนอกจากสินค้าที่ปรองแพงเท่านั้นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นความนิยมกันใช่แล้วจะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความนิยมของประชาชนแม่จะเป็นประเภทต่ำก็ต่มผู้ต่องการสินค้าประเภทใดก็เลือกซื้อได้ ตามความต้องการของตนและความสามารถคำว่าศาสนาธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทุกบททุกบาทแห่งธรรมะที่พระองค์ท่านได้แสดงออกไว้ยอมมีคุณภาพตามขั้นแห่งธรรมะและผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตมีสัยและความสามารถของตน นักธรว่าศาสนธรรมกับมนุษย์เรารู้ส sind, ึกว่าจะเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งหากว่าจะทำให้เป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับโลกตลอดมาแม้จะมีหลายประเภทและเป็นประเภทต่างๆกัน ตลอดทั้งคุณภาพก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นของจำเป็นไปตามประเภทและความต้องการของบุคคลหลักของาศาสนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะบุคคลเราผู้มีความสามารถหรืออำนาจวาสนาและความต้องการนั้นมีความต่างกันาศาสนธรรมจะมีเพียงวงแคบแค่ ก็ย่อมไม่สามารถจะสนองความต้องการของประชาชนได้เช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่จะนำะาศาสนามาประกาศสอนโลกต้องเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถในการที่จะนำธรรมะออกมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้พุทธศาสนาของเรา นี่ก็คือพระพุทธทเจ้าเป็นเจ้าของแห่งศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนาที่ท่านตรับไว้เท่าที่นำได้พอประมาณก็มีปริมาณถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นีเห็นว่าพอเหมาะพอดีกับจดิตนิสัยของผู้จะประพฤติปฏิบัติ ถ้าหากจะให้มากยิ่งกว่านั้นก็จะเหลือเฟือและจะฟันเผือทั้งจะเลยความสามารถของผู้ผปฏิบัติแล้วเกิดความท้อใจและขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ไปสี่งดังนั้นจึงมีเพียงประมาณเท่านั้นแต่ตามธรรมดาจะริบนิสัยของ บุคคลเราย่อมมีมากยิ่งกว่าที่กล่าวมานี้แต่นั่นพระพุทธเจ้าแยกอสอนเฉพาะเฉพาะให้เหมาะกับจริตทิสัยของแต่ละลายลายซึ่งเป็นตรีย่อยส่วนหลักใหญ่ท่านก็รวมไว้เป็นแปดหมื่นสี่พันระธรรมกันนี่ถ้าเทียบกับต้นไม้ ก, ก็ เียวก็ว่าอินใหญ่ๆส่ว น, ขนแขนงเล็กๆก็นับปริมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉล า, าดสามารถถึงขนาดนั้นจะเป็นผู้ไม่สามารถเนี่ยนำสั่งสอนบุคคลให้ถูกต้องตามจดิตนิสัยและให้ได้ประโยชน์เท่าที่ควรในสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงพระชน์อยู่แล้วก็จะไม่สมควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกทั้งสาม แต่เท่าที่พระองค์เท่าที่มีคุณนามได้ปรากฏว่าสัฏาเทวมนุษสาหนังนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสามารถฉลาดในการสั่งสอนแต่คนทุกชั้นแนวศาสนธรรมย่อมมีความจำเป็นหรือสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปต ล, ลอดถึงการธรมาหาเรื่องที่ของบุคคลทั่วไป เฉาะเป็นแนวทางที่จะชี้บอกให้รู้วิธีปฏิบัติต่อหน้าที่การงานของตนโดยถูกต้องและได้ผลสมบูรณ์เท่าที่ควรเช่นท่านสอนว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรในจิตที่เฉาะดังนี้เป็นตน้นคำว่ามีความขยันหมั่นเพียรนั้นหมายถึงอะไรก็คือเป็นภู้ไม่เป็นคนจับจดไม่ทอดทุละหรือไม่เป็นรุ่มรุ่มดอนดอนต่อหน้าที่การงานที่จะ ที่ตนหวังประโยชน์จะทำสิงใดลงไปก็ให้ทำให้เป็นชิ้นเป็นอันชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกทุกรายหากจะแยกออกเป็นประเภทประเภทและเทียบเคียงกับหลักธรรมะแล้ว จะต้องมีหลักธรรมะแฝงอยู่ทุกๆประเภทงานของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นหากว่างานใดที่ขาดจากหลักธรรมเข้าเครือบแฝงแล้วงานนั้นจะเนี้ยจะสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์หลักใหญ่ของศาสนาที่สอนไว้น้ำหนับโลกและผู้ปฏิบัติธรรม ท่านสอนไว้สี่ข้อคือฉันทะให้มีความพอใจในกิจการของตนที่เห็นว่าชอบทำอย่าให้เฉื่อมคลายไปเสียจากกิจการนั้นๆมีความพอใจแขงอยู่เสมอจนกว่างานนั้นจะสาเร็จวิริยะให้มีความขยันหมั่นเพียร ต่อหน้าที่การงานของตนิตะอย่าทำกิจให้ห่างเหินจากการงานเห็นแล้เรียนหนังสือก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรจดจ่ออยู่กับการเรียนของตนต่งนี้เป็นต้นวิมังสาเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญคนไม่มีความฉลาดจะดำเนินงานทางโลกก็ไม่ราบรื่นจะปฏิบัติธรรมะ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเนี่ยธรรมะทั้งสี่ข้อนี้รวมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาเป็นสี่ข้อด้วยกันที่จะทำผลประโยชน์ให้ปรากฏขึ้นภายในวงงานของเราเป็นชั้นๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับธรรมะทั้งสี่ประเภทนี้หากว่าประเภทใดประเภทอ่าข้อใดข้อหนึ่งได้บกท่องลงไป งานนั้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์เส่นขาดฉันทะเสียอย่างนี้เรื่องความเพียรก็จะก้าวไปไม่รอดเพราะฉะนั้นาศนาสนธรรมกับความเป็นอยู่ของพวกเราจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเสมอเนื่องจากาศาสศาสนธรรมนี่สอนวิธี การนำเนินของเราทุกดันไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางการซื้อการขายการศึกษารเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่ส่วนเล็กส่วนใหญ่ถ้ามีธรรมะแสงอยู่แล้วจะเป็นไปเพื่อความราบรื่น ผู้ที่มีชีวิตเป็นรุ่มรุ่ ม, มดอนๆอนหรือมีจิตใจวอกแวกคอนแคลนไม่หนักแน่นเนื่องจากขาดหลักธรรมะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นผลสาเร็จขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกทางผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรือง แต่จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากนอกจากหลักธรรมะแล้วจะหาไม่ได้คำว่าธรรมะนี้ที่ท่านเขียนไว้ตามแบบตำหนับตำราก็มีที่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งท่านไม่ได้เขียนไว้ก็มนี้แต่มีอยู่กับบุคคลผู้มีความคล้ายต่อ รหรือมีความค่ายต่อความดีมีเป็นหลักสำคัญนี้มีหลายขั้นธรรมะสำหรับทษประชาชนทั่วไปก็มีสำหรับเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีสำหรับนักบวชวิครวาามีทั้งนั้น เป็นตามชั้นตามภูมิของผู้สามารถจระ่เพื่พฤติปฏิบัติและก็ไม่ไม่ไ ล, ล่ผลมีประโยชน์เท่าที่ควรแก่กําลังแห่งความสามารถของตนแต่เพื่อเพื่พึ่ปฏิบัติคำว่าศาสนากับเรานั้นแยกกันไม่ออกเพราะคําว่าศ า, าสนาก็แปลว่าคําสอนสอนใครถ้าไม่สอนมนุษย์เราผู้ที่รู้จักดีชั่ว จากประเภทนอกนั้นไม่ค่อยจะรู้ดีรู้ชั่วและไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนให้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างศา ส, สนาจึงไม่ค่อยจะจําเป็นสําหรับสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นของจําเป็นสําหรับมนุษย์เรามากที่สุดและจําเป็นความจําเป็นสําหรับเราทุกท่านผู้ยังมีการงานเป็นเครื่องดําเนินประจําตนต้องมีหลักธรรมะ เป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอมีเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมะผู้ที่จะสนใจทางด้านธรรมะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเพื่งจะเจริญอบรมจิตใจของตนให้มีความสุขความเย็นใจนก็ต้องใช้ความเพียรอีกประเภทหนึ่งความเพียร นั่นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุความสงบเย็นใจนั่นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลเหตุกับผลเป็นเครื่องอุดหมุนกันไปเป็นชั้นๆ น, นับตั้งแต่อย่างต่ําจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตพิะนิพพานย่อมมีธรรมะทั้งสองประเภทคือฝ่ายเหตุและฝ่ายผลช้ำพันเกี่ยวเนื่องกันไปแล้วเราท่านทั้งหลายที่อุตส่า พยายามมาในรยะทางที่ไก่แสนไกลไม่เห็นแก่ความข่้เฟืองตลอดถึงขีนวิจิตใจก็ถวายครีขี่เพื่อบูชาพราะรัตนตรยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดหน้าที่การงานสละมาทางนี้เนื่องจากเราทุกทุกท่านเป็นผู้มีธรรมะภายใน จ, ใจิตใจและเพื่อธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นไปเป็ น, นำลำดับจึงไม่ได้อะไรเสียดายในสิ่งใดทางนั้น แล้วมาบำเพ็ญถึงจะมีความลำบากเราก็ทราบด้วยกันทุกทุกท่านว่าการพึ่งหาจัดแปลงยอมเป็นความลำบากแต่ก็ไม่ลดละความภาคเพียรที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ให้ประจักษ์ภายในจิตใจฉะนั้นถึงจะอดบ้างอิ่มบ้างในสถานที่แค่นแค้นกันดานหรือเวลาเราจะทุกข์ทรมานตนเองก็ยอมรับ ไม่เห็นเกี่ยวความลำบากลำบนและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำการจิตข้างทางําเนินเพื่อความดีของเราได้แต่เราแท้เองเป็นผู้สามารถที่จะข้าเดิก้าวข้ามความขัดข้องหรืออุปสรรคคือสิ่งรบกวนเหล่านี้ไปได้เป็นลำดักฉะนั้นเราต่างท่านจึงได้อุตส่าห์มาได้และบําเพ็ญได้เต็มสติกลาลังของตน แต่การบำเพ็ญธรรมะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะนี้ผู้าตามความลำบากก็รู้สึกจะมีลาบากกว่าการบำเพ็ญด้านอื่นๆ อ, อยู่บ้างเนื่องจากว่าจิตใจเป็นนมามธรรมไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตานื้อแต่รู้อยู่ด้วยตัวเองตัวเองหากมีสติคอยสังเกต ความรู้สึกและความเคลื่อนไหวของใจเราจะทราบทุกๆระยะที่ใจมีความเคลื่อนไหวเพราะตามปกติของใจจะอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้ต้องหาสิ่งที่พึ่งพิงอีกอาศัยเสมอไปอารมณ์มนั่นแลที่เป็นเครื่องพึ่งพิงของใจนี่เป็นธรรมนาของเราที่ยังไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับลูกเต้าอาศัยพ่อแม่เป็นอยู่ จิตใจก็ต้องอาศัยอารมณ์แต่ผู้ที่มุ่งต่อคุณงามความดีย่อมส่อแสงหาอารมณ์ที่ดีซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจให้เป็นที่อาศัยของใจเช่นเรานั่งภาวนาเป็นตน้นคิดบทอัดบททรรมกำหนดจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมบางทับใจของตนไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ที่จะเป็นธาต มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอด้วยความมีสติในเวลาที่บําเพ็ญจิตใจเมื่อเน้นับการอารักขาเสมอเช่นนี้ก็ย่อมปลอดภัยเป็นระยะระยะไปเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงที่ดีตามรักษาเด็กย่อมมีความปลอดภัยใจก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเหมือนกันพี่เลี้ยงของใจหมายถึงสติสตินี้ก็เป็นธรรมะอันหนึ่ พยายามกำจัดปัดเตาสิ่งที่เป็นข้าศึกเกิดใจอยู่เสมอใจก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นความเจริญเติบโตของใจนี้ไม่หมายเช่นเดียวกับต้านวัตถุแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยความสุขความสบายความผ่องใสเด่นดวงขึ้นไปเป็ น, นำลำดับกาลังนี่เรียกว่าความเจริญของจิตเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนสิ่งที่เป็นรูปร่างเช่นเด็ก จเจริญเติบโตเป็นต้นเราเป็นนักปฏิบัตินับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่มีความท้อใจต่อความลำบักหรือการฝูนตัวเองซึ่งเคยเป็นมาแต่มีทางที่จะพยายามกดเครื่อง หรือกดขี่บังคับสิ่งที่เป็นค่าสิทธิแม้จะมีกำลังมากพอตา่างจะพยายามดัแดแปลงตนให้หนับจนปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นที่เคยเห็นว่าเป็นค่าสิทคิอยถอยกำลังลงเป็นนําหนักจิตใจของเราก็ยิ่งจะมีความเจริญก้าวหนักท่านที่เริ่มพึพ้นหัดภาวนาก็ โตได้มีอารมณ์ธรรมะบทใดบทหนึ่งกำกับใจของเราในขณะที่ทําให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์บทอื่นใดๆทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาเช่นเรากําหนดพุทธโธก็ความรู้สึกของเรากับคําว่าพุทธโธให้คมคลืนกันเสมอไป ใจที่ไดรับการรักษาด้วยสติให้อยู่กับธรรมะซึ่งเป็นของดีแล้วใจจะค่อยเปลี่ยนความรู้สึกเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกลายเป็นความรู้สึกอันเดียวที่ท่านเรียกว่าเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่สองกับสิ่งใดที่มาเกี่ยวข้องใจที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นชื่อว่าเป็นตัวของตัวได้แล้วในขั้นหนึ่งใจที่ในเกาะเกี่ยวกับอารมณ์อะไรในเวลานั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นใจที่มีความสว่างผ่องใสความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นเอกภตานั้น เป็นความสุขที่ทึงปรารถนาอย่างยิ่งไม่มีความสุขอืข่นใดที่จะเสมอเหมือนได้บรรดาความสุขที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านมาทางอายตนะใดความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้แลเป็นความสุขที่จะเยี่ยมยอดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ได้ผ่านความสุขประเภทนี้แม้เพียงครั้งเดียวก็าตาม จะมีความดุดดื่มไปเป็นเวลานานหากจะไม่ได้รับความสงบเช่นนี้อีกก็าตามแต่ความดุดดื่มเช่นนั้นจะรู้สึกว่าปรากฏอุภายในใจเสมอไปยิ่งเราได้มีเ ว, เวลาอบรมใจของเราให้ได้ถึงความเป็นหนึ่งคือเอ ก, เอกะคตา แล้วมีจิตเป็นตัวของตัวอยู่เรื่อยๆเช่นนี้เราจะเห็นความสำคัญของโลกทั้งมวล น, นี้มาอยู่ที่จิตใจดวงเดียวและจะเห็นความสำคัญในกายทั้งหมดซึ่งเป็นของเหล่านี้มาอยู่ที่ใจดวงเดียวเพราะความรู้ความสว่างเป็นสิ่งที่เด่นและครอบไปหมดมีเพียงขั้นนี้เราก็เห็นเป็น อัศจรรย์ภายในใจของเรานี่คือใจเป็นตัวของตัวในขนาดนั้นเมื่อออกจากจุดนี้แล้วเขาต้องกระจายกระสาออกไปอีกเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นในทํานองที่เคยเป็นมาแล้วนี้เสมอ จนกลายเป็นจิตที่มีรากฐานภายในใจคือมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาแม้จะใช้ความคิดความปรุงเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอยู่ก็ต า, ามแต่ฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละจากตัวเองมีความสงบมีความเย็นใจมีความแน่นหนามั่นคงประจํากิตใจนี่ท่านเรียกว่าจิตที่มีรากฐานประจำ ขณะที่สงบลงไปปล่อยวางความคิดความปรุงเสียทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันปล่อยวางได้เสียสิ้นเหลืออยู่แต่ความเป็นหนึ่งคือมีความรู้อันเดียวเฉพาะจิตของตนเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเอกราตตาเข้าไปอีกหากว่าจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปแล้วไม่มีท่านผู้ใดบรรดาที่เป็นนักปฏิบัติธรรม ซึ่งมีจิตใจเป็นเช่นนั้นจะมีความเสียดายห่วงใยแล้วถอนจิตประเภทนั้นออกมาสู่จิตธรรมนาที่เคยเป็นมามีอยู่อย่างเดียวว่าจะเป็นที่พอใจอยู่นั้นแม้จิตจะเป็นอยู่นั้นแสนกับแสนกันก็จะมีความพอใจอยู่เช่นนั้นราะความสุขที่ปรากฏขึ้นจา ก, กจิตที่เป็นตัวของตัวนี้ ไม่มีความจืดจางสำหรับผู้ได้ดื่มรสยิ่งเราในพยายามกบรมจิตของเราให้มีความสงบเช่นนั้นเรืยๆไปจิตใจก็ยิ่งมีความดื่มด่ําในธรรมะทั้งหลายความขยันหมั่นเพียรวิ่งตามๆกันมาโดยไม่ต้องเสกสารปั้นยอให้มีขึ้น เพาอำนาจแห่งความดู ด, ดื่มนั่นแหลเป็นพลังงานสามารถที่จะดึงดูดเอาความภาความเพียรความอดทนทั้งหลายเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเครื่องส่งเสริมจิตใจนี่เป็นความสุขประเภทหนึ่งสําหรับท่านนักปฏิบัติจะควรได้รับและแน่นอนสําหรับผู้ได้มีโอกาสบําเพ็ญเช่นนั้นโดยไม่รู้ละ จะต้องปรากฏจิตประเภทนี้แน้จิตจะมีความวุ่นวายอยู่สักกี่ร้อยกี่วันมามากก็าตามหากได้อบรมโดยถูกทางในขณะใดาแล้วจะต้องหรือเหมาะสมในขณะใดาแล้วจะต้องปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งตนไม่เคยเห็นขึ้นมาในวาระใด ว, วาระหนึ่งจนได้นี่ท่านเรียกว่าได้เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรม แล้วธรรมะคืออะไรเราจะไม่ต้องถามท่านผู้ใดธรรมะก็คือใจที่ได้ทรงตัวให้ถึงความสงบเย็นใจนี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะสมาธิหรือเอากาตาธรรมเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าจะพอตัวตามขั้นหรือตามภูมิของจิตใจของเรา น, นี้ความเพียรยิ่งเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกําลังมากยิ่งกว่านี้ยังหนุนอยู่ตราบใดจิตใจนี้ก็ยิ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปเป็น ล, ำลำํำดับลํำดับความสว่างสวัยความเย็นอกเย็นใจความสบายความคล่องแคล่วของใจความละเอียดของใจจะค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเป็นลาดับ จากบุคคลคนเดียวจากใจดวงเดียวเห็นเป็นสิ่งที่แปลกประาดขึ้นเป็นชั้นๆสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นความสุขมาแต่ดั้งเดิมในวงแห่งสมาธินี้จะได้ตำหนิความสุขประเภท น, น, นั้นขึ้นมาเป็นลำดับเนื่องจากความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในอันดับต่อไปต่อไปนั้นเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆ ซึ่งเป็นของที่ทรงรถรถทรงชาติยิ่งกว่าที่เราได้เคยเห็นมาแล้วเป็นลำดับไปฉะนั้นนักปฏิบัติที่ได้ดื่มธรรมะภายในจิตใจแล้วจึงไม่มีการขอถอยเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายอดหรืออิม่มยอมรับกันทางนั้นขออย่างเดียวคือความเพียรเพื่อให้เป็นไปถึงจุดสุดท้ายแห่งความสุขอันเป็นที่พึงพอใจนั้น ได้เข้าอยู่ในเงื่อมือแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้นชีวิตจิตใจจะขาดจะเป็นไปอะไรนั้นไม่คำหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆจะอดอยากขาดแคลนไม่สนใจอัตคัดขัดสนมีความจําเป็นด้วยการอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัยไม่สนใจเป็นสําคัญแต่จะสนใจมากว่าสถานที่ใดเราได้บําเพ็ญความภาคเลี่ยนของเรา ได้รับธรรมรสปรากฏอยู่ภายในใจเสมอเสมอทุกียาบทแล้วสถานที่นั้นเวลาเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะอำนาจแห่งธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นที่ไว้วางใจตัวเองได้และผู้เห็นผลแห่งธรรมะแล้วยิ่งจะเป็นที่แน่ใจตัวเอง นอกจากนั้นจังให้เป็นที่ไว้ใจได้แน่ใจเป็นที่เย็นองค์เป็นใจแกหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยถ้าพูดถึงเสีงกว้างก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรากลับสรูมาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังสามารถสอนโลกให้ตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งถึงปันนี้ไม่ปรากฏปธรมะเรร่วงโอยไปในบทใจบาทใจตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักตัวขาตธรรมจะต้องปันนิญาเ น, นี้กะทำนมนำผู้นั้นให้พ้นจากทุกไปเป็นชั้นๆจ น, นถึงจุตสุดยอดกล่าวแล้วผู้พรนมีผานมีในกก่าวถึงหนึ่งความสุขที่เกิดขึ้นจากกิตอันเป็นตัวของตัวชั่วระยะเวลานี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาที่จะเลื่อนฐานะของจิตหรือถอดถอน ภาระความกังวลหรือกดทั่วจิตใจออกเป็นชั้นๆนี่เป็นนิสัยของปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากคําว่าปัญญาคือความฉลาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตงไม่เคยทําเช่นจิต บ, บ้านการเรือนหรืออะไรเหล่านี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหลักใจก็คือเป็นผู้ฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกจากใจของตัวเอง หรือเป็นค่าสืบแกต่ตนนี่เป็นหลักใหญ่ของปัญญาในหลักพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ปัญญานี่แหละเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจเมื่อปัญญายังไม่เกิดแม่สิ่งที่เป็นภัยก็ยังต้องเห็นว่าเป็นคุณไม่เช่นนั้นคนเราจะไม่ยอม ติดจมอยู่ในความชั่วทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าเป็นความชั่วถ้าความรู้นั้นเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆหากว่าได้เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆแล้วจะทนถือไว้ไม่ได้จะต้องสลัดปัดทิ้งทันทีเช่นเดียวกับเราจับอสรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารแม้สรพิษนั้นจะ ก, กบกัดเราเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเขาเป็นไิษ ตอเมื่อได้ทราบชัดว่านี่คือสรารพิษเพียงเท่านั้นสลัดอย่างไม่ไม่ไม่ไม่มีใครจะมาบอกเพื่อสลัดอย่างเห็นภัยจริงๆ <c oughs> นี่เรื่องของปัญญาที่เห็นโทษการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญ เห็นท่านสอนให้พิจารณ า, าธาตุขันธ์เราลองพิจารณาตามหลักธรรมะที่เป็นทำรับรองแล้วให้เห็นตามความจริงตามหลักที่ท่านสอนไว้โดยทางปัญญาจริงๆเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าเพราะหลักปัญญาของพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันกับหลักปัญญาและสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อเราอยู่เวลาน้ ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเมื่อเห็นแล้วจะต้องเห็นในลักษณะเดียวกันเห็นโทษก็เห็นในลักษณะเดียวกันเห็นคุณก็เห็นในลักษณะเดียวกันการปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางในลักษณะเดียวกันปล่อยวางได้มากน้อยไปเป็นลำดับสนดับเช่นเดียวกันจุดสุดท้ายก็คือปล่อยวางได้โดยอิ้นเฉยไม่มีสิ่งใเดเหลืลอหรอือเสียดแทงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้แต่น้อย นั้นปัญญาจริงเป็นธรรมจาเป็นและสติก็เป็นธรรมจาเป็นคู่เคียงกันไปกับปัญญาท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันขันคืออะไรแต่ว่าหมวดหรือกองมีหลายประเภทรวมกันเท่าทันเนียกว่าขันเห็นเวทนาคําว่าเวทนาก็มีทั้งความสุขความทุกข์และเฉยเฉยมีทั้งทางกายและทางใจ นี่ท่านเรียกว่าเวทนามันมีมากท่านก็เรียกว่าขันเวทนาขันสัญญาก็จำกี่ร้อยแปดพันประการไม่สราบดีก็จำชั่วก็จำอดีตก็จาอนาคตก็ยังจำไปอีกปัจจุบันก็จาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางด้านปิตจเวทนาสัญญาสั้งขันอิญ ญ, ญาณจะรับทราบและจดจำปรุงแต่งไปได้ทั้งนั้ น, น, ท, นท่านจึงเรียกว่า กองหรือหมวดมีมากต่อมามารวมกันอยู่ที่นี่สังขารคือความปรุงความคิดคิดได้วันย่างคำปรุงได้คืนย่างหลุ่มไม่มีเวลายับยังไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพะวันโกนมีแต่วันคิดวันปรุงได้วันย่างคำยิน ญ, ญานคํารับรู้ไม่มีสิ้นสุดนั่งอยู่ก็รับรู้ถ้ามีสิ่งมาสัมผัสนอนอยู่ก็รู้ถ้าไม่หลับ เดินเหินไปไหนมาไหนจะต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลานีทนญญานทท่ท่านเรียกว่าวิญญาณขันแต่รับประเภทประเภทท่านแยกกเรียกว่าขันรูปประขันเวทนาขันธัญญาขันสันขานขันปัญญาสอดส่องมองเข้าไปให้เห็นตามความจริงของขันแต่ละขันละขันที่เขาทําหน้าที่ของตัวเอง แต่เราไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาเกิดความยุ่งเข้ามาใส่ใจเพิ่มเติให้ทราบในขันแต่ละขันนั้นตามหลักความจรงิงนี่ท่านเรียกว่าทราบโดยทางปัญญาผู้ ป, ประขันมีอะไรอยู่บ้างที่มารวมกันเป็นกายนี้แยกออกดูตามหลักของปัญญาให้เห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นและสั่งสอนเอาไว้ ในรูปประขันก็มีธาตุอยู่สี่ธาตุคือธาตุดินส่วนที่แข็งแข็งท่านก็เรียกธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าท่านเรียกว่ารูปประคันทั้งสี่ประเภทนี้แม้จะรวมกันอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่อันเดียวกัน ส่วนธาตุดินก็ต้องเป็นธาตุดินแต่อาศัยกันอยู่เมื่อแยก เ, เห็นตามหลักปัญญาจริงๆแล้วจะเห็นแต่สักว่าัาเราจะหาเอาจัตเอาบุคคลเอาท่านเอาเราที่ไหนอยู่ในกองธาตุใดธาตุหนึ่งในสี่ธาตุนี้จะไม่มีจะเห็นแต่เรื่องความเป็นธาตุล้วนๆ น, นี่คือหลักของปัญญาจริงๆถ้าหากเราได้พิจารณาเห็นตามหลักปัญญานี้ ยางแจมแจ้งไม่มีที่สงสัยแล้วเราก็ไม่สงสัยในเรื่องธาตุของเรากายของเราซึ่งเป็นกองกองธาตุล้วนๆเราจะเห็นได้แต่เพียงว่านี้คือธาตุเท่านั้นไม่เอื้อมไปเื้อให้เลยเฉียดจากความเป็นธาตุจนกลายไปเป็นชัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านไปนี่คือเดินตามขอบเขตของธรรมะ เรื่อของปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านรู้ตามกฎเกณฑ์ที่เป็นความจริงไม่นอกเหนือไปจากหลักความจริงนี้เลยฉะนั้นธรรมะผู้ประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นจึงเป็นธรรมะของจริงเท่านั้นเนื่องจากท่านตื่นคนได้พิจารณาได้รู้เห็นตามหลักความจริงไม่มีสิ่งใดปลอมแปลงขึ้นมานอกจากเป็นหลักความจริง เนื่องจากพระพุทธเจ้าพิจารณาตามหลักความจริงจึงเห็นจริงขึ้นมาเป็นชั้นชเห็นจนธาตุก็เห็นจริงเห็นดินก็เห็นถึงใจเห็นธาตุน้าก็เห็นอย่างถึงใจเห็นธาตุลมธาตุไฟก็เห็นอย่างถึงใจไม่เลยไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นดาวเป็นท่านเป็นต้นนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นเราเป็นท่านจะนานแสนนานทักเท่าไรก็ตามก็เช่นเดียวกับต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินจากกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามเมื่อถอนขึ้นมาทถูกถอนขึ้นมาทั้งรากแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้องตายไม่มีอะไรที่จะสืบต่อนี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ก็เหมือนกันเช่นกัน ความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันที่กล่าวนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ลึกยิ่งกว่ารากของต้นไม้แต่ถึงจะลึกเท่าไหรก็ตามก็ทนต่อจอบหรือเสียมคือปัญญาซึ่งทําหน้าที่ขุดค้นนี้ไปไม่ได้ขุดค้นแล้วขุดค้นเล่าอยู่เดี๋ยวก็ถอนัขึ้นมาถอนขึ้นม า, นนนมาก็ถอนขึ้นมาได้หมดทั้งกองธาตุธาตุดินก็รู้รอบประจักษ์กับใจหรือประจักษ์กับปัญญา ธาดลมธาดไฟก็เห็นชัดปล่อยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้ปล่อยปล่อยได้โดยหลักปัญญาที่เห็นตามหลักความจริงอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการปล่อยในส่วนธาตุส่วนรู ป, ปรขัน <c oughs> เวทนาขันสัญญาขันแต่ละอ ย, ายา่างะอย่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เฉยๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายและในใจ มันก็เป็นความจริงแต่และอย่างอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ามีเกิดกับดับเท่านั้นจะเป็นเวทนาใดก็ตามท่านจึงเรียกว่าเวทนาไม่ใช่จิตแยกประเภทกันได้ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่คื่อว่าพิาดณาด้วยปัญญาเหนด้วยปัญญาสัญญาความจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิต เป็นแต่เพียงส่งกระแสะออกมาชั่วระยะการเท่านั้นก็ดับไปโดยที่จิตไม่ได้ดับไปด้วยแต่อาการเหล่านี้หากเกิดทางดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆหากว่าเราจะหลงก็พอหลงได้วันยั่งคําหลงได้จนลืมตัวหากว่าเราจะพิจารณาให้รู้ตามหลักปัญญาก็รู้ไปได้ตามระยะของสิ่งเหล่านี้ที่แสดงตัวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้กับใจและปัญญานั้นเกิดในที่แห่งเดียวกันเมื่อสติปัญญาได้ตามรู้ตามเห็น อยด้วยอำนาจของความเพียรทุกขยะแน่วอันใดจะกระดิกตัวขึ้นมายอมไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องทราบทราบได้ทั่วยะทราบจนกระทั่งถึงความจริงของเวทนาหลักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรแล้วรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกาย ไ, ไม่ว่าเวทนาส่วนใจ ทันยาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียกนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอํานาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกดทวงตัวเองออกเป็นลําดับลำดับเด็ดขึ้นไปเรื่อยๆ ด, ด, ด้วยอํานาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกก็หลุดลอยออกไปหลุดลอยออไปเพราะถูกปัญญา ผักดันให้ออกไปเสมอนี่เนี่ยวิธีพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องใจที่มีความเป็นตัวเป็นตนจนถึงกับปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขั้นที่กล่าวผ่านมานี้นั่นนั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่งซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของกิจชั่วระยะการมาถึงขั้นนี้เป็นตัวตนอีกขั้นหนึ่งคำว่าตัวตนที่ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่อาศัย เป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเรามีความสามารถรู้รอบถอดถอนรู ป, ปรขันเวทนาขันชัญญาขันสังขารขันออกหมด ไม่มีขันใดจะสามารถซึมซาบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตัวเป็นตัวของตัวในประเภทนี้เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งยวดเข้าไปอีกแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายแม้ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยถึงกับตัวเอง ก็เกิดความรู้สึกในตัวเองว่าแม้เราไม่เคยปรากฏธรรมชาติที่อาจารย์เช่นนี้เหตุใดจึงเป็นของอาจารย์เช่นนี้นี่แล้วเมื่อปัญญาได้มีความสามารถฉล า, าดรู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุถึงฐานที่เกิดแห่งขันทั้งห้าคือเวทนาปัญญาทั้งขานทีน่ได้แก่อะไรได้แก่จิตที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นคาว่าจิต อันนี้หมายถึงเชื้อที่แฝงอยู่กับกิดเดิมยังชำระกันออกไม่นักถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียงชำระหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิก่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวตอของต้นไม้นั้นเรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยัง หัวตอนนั้นยังอาจจะผิดขึ้นมาอีกรัดขึ้นมาอีกก็นาะฉะนั้นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวตอนนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับพื้นดิ ท, ที่จะนํามาหลอดยี้ยอาหารนั่นเนี่ยหมดพ้นทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้ <c oughs> เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกันกบหัวต่อเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปเทกิจ อันเป็นที่รวมแห่งกิเลสปัญหาอาสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัดในจิตที่จอมปลอมนั้นและรู้โทษแห่งความสั่งสมตัวเองจนปรากฏเป็นพบเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตัวเอง แล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นรับความเดือดร้อนหุ่นมาด้วยและเป็นโรคระบาดให้ต่อบภพตอชาติเกิดในพบในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื่ออันสําคัญ น, นี้เดียปัญญาได้สอดลงไปที่ตรางนี้จนสามารถทําลายหรือถอดถอนออกได้หมดอย่างประจักษ์ใจไม่มีสิ่งใดที่จะแฝงอยู่ในคำว่าจิตนั่นเลย นี่ชื่อว่าถอนขึ้นแล้วซึ่งรากแก้วของมันรากแก้แห่งพบแห่งชาติก็คือความถือจิตจิตที่มีความถือจิตก็มีความกดถ่วงตัวเองเหมือนกันจิตที่กําลังถือจิตอยู่การใดก็ชื่อว่ามีการสังสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้นเมื่อมีการสังสมกิเลสภายในตัวอยู่การใด ก็มีโอ ก, โอกาสกิ่งเล็ดนั้นก็มีโอกาสที่จะทำทุกความทุกให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกอย่ น, นแหละภมีปัญญาที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทำลายรังแห่งทุกแห่งชาติได้ในจุดนั้น โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือ้อยอยู่ความสุขประเภทนี้จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขในสมมุติถ้าจิตได้ดลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมุติคือเป็นมีมุดไปแล้วนั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุข ในธรรมะที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรถมาเป็นลาดับเรามีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรามีจิตดวงที่บริสุทธิ์ีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ตลอดการท่านเรียกว่าอากาลีโกไม่นิยมการสมัยวันคืนปีเดือน แต่เป็นความสมบูรณ์ภายในตัวเองอยู่ตลอดเลล่ะหมดความหิวโหวยในบรรณาอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจานานะนานแสนนานก็ตายเมื่อได้ถึงขั้นเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องเสียดายกับสิ่งใดทั้งหมดถ้าไม่เห็นสิ่งใดจะมีความยิ่งหรืออัศจ ร, ร ย, ยิ่งไปกว่าธรรมชาติ ที่เห็นประจกเปลี่ยนนี่เรียกว่าถ้าเรียกว่าธรรมะก็คือธรรมะขั้นสูงสุดการรู้ก็คือการรู้อันสูงสุดการปฏิบัติต่อธรรมะจุดนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรัยตอันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำต่างๆอนับพระพุทธเจ้า ที่ท่านสอนมาสอนมาเป็นลำดับลาดับนี้ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมุติพิยมกันในขั้นของสมาธิจะเป็นสมาธิส่วนหยาบบ้างหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบกับ ป, ประเภทแห่งสินค้าประเภทนี้งจิตที่เป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับ ประเภททางสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สำเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอดนี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทำความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์ เป็นลำดับตําดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่หาจุดใดลูกคำจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุทธะการปฏิบัติพระพุทธเจ้ากขาปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสตัญหาอาชมะซึ่งเคยเป็นพบเป็นภัยแก่พระพุทธแก่พระองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกันกบที่ เป็นกับเราอยู่เวลนี้วิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกันเขาเป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคธรรมาพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วดูที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธเพราะพุทธะนั้นชั้นใดพุทธะนี่ก็ชั้นนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใด ธรรมโมปฎิโปขามสว่างก็จะ mm hmm. ก็จะอ่านแจ้งภารกิจของพระองค์ท่านมีฉันใดอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันนะคําว่าสังฆาท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัย mm hmm. เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นอย่างนี้ที่แรกท่านก็บํารงบําเพ็ญเฉพาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอน ก็ปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลําดับนับตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเป็นลําดับบๆนีนเเวว่เรียกว่าเสด็จตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวกแล้วกอนนั้นเข็มทิศอันเป็นธรรมชาติที่รับรองไม่แน่อย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นครับมีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแล้วแต่เราจะ พยายามปฏิบัติผลนขนา้าน่าตามประเพณผลที่จะทุนนะครับเราจะมีความเย็น อ, อกเย็นใจเป็นลําดับหนึ่งเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีธรรมะปฏิบัติในครอบครัวนั้นก็เย็นใจระหว่างสามีภรรยาลูกเต้ากับพ่อแม่ก็เย็นใจถ้าต่างคนต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองตอนเองด้วยกันสามีก็ทําตามหน้าที่ของสามี ภรยาก็ทำตามหน้าที่ของภรยาไม่ก้าวายกันต่างคนก็ต่างให้อภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ควรให้อภัยต่างคนก็เห็นใจกานในสิ่งที่ควรเห็นใจต่างคนก็สากเต็มสากทายซึ่งกันและกันเป็นผู้มีความสันโดษมีความมักน้อยในคู่ครอไม่มกักมากในอารมณ์ไม่เห็นผู้ใดผิ น่าจะเป็นของที่มีคุณค่าหรือยิงง่งยวดไปกว่าสามีภรรยาทั้งตนและเชื่ออกเชื่อใจกันเป็นคนเชื่อตรงต่อกันนายแม่เายจ่ายมีเท่าไรให้รู้ถึงกันหมดไม่มีปิดบังรี้ลับไม่มีอแอบแฝงแสงไม่มีมือหนึ่งกำรร ม, มือหนึ่งแบบแม่ก็แบกให้หมดทุ ก, ก็ทุกด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเป็นคู่ส่อสัตว์สุดฤทธิกปากเป็นปากตายกันนี่ท่านนีย่ต่างคนต่างมีธรรมะ ครอบครัวนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันตั้งแต่ต้นจนอสารจะไม่มีสิ่งใดมาทําให้เกิดกองทุกข์นอกจากตัวของเราที่ไม่รูจ้จักวิธีปฏิบัติโดยเห็นเจรใจในตัวเองซึ่งเป็นมได้ความอยากความเพลิความเพลิพนนั้นพาปัจจันให้ทําผิดไปได้เกิดความเดือดร้อนจากตนองมาแล้วยังเกิดความเดือดร้อนจากครอบครัวเป็นทายเต็มดันโลกก็เหมือนกันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามโอ ว่าของพ่อแม่ที่สั่งสอนพ่อแม่สั่งสอนอย่างไรก็ดําเนินตามพ่อแม่ไม่เห็นคนอื่นยิ่งกว่าไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นหมู่เพื่อนยิ่งไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นใครยิ่งไปกว่าโอว่าของพ่อแม่ใครจะเชื่อมสอนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นองจริงที่จะเกิดความที่หายในเรื่องเราก็ต้องไขสวดไม่เห็นแจกคบฆาสมาคมน่าทําไปทําไปจนถึงกับจมลงโดยไม่รู้สึกตัวและก็ทําความเดืดอดร้อยแก่พ่อแกแม่ ลูกก็จะกลายเป็นนาทั้งหมดลูกก็มีล่อกก็มีธรรมะธรรมาลูกก็คือเป็นลูกที่ดีเดินตามพ่อตามแม่เช่นเดียวกับสาวกปารหันเดินตามบอยพระโพ ธ, ธิจักรพุทธบริษัทรทสี่คือพิกสูขุบาลกตุบาลิกาสามเนินเดินตามน้องรอยธรรมโทธิจักนี่จักเล่าเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีในครอบครัวก็ต้องดาเนินตามน้องลอยของพ่อของแม่ที่พาดําเนินทางสอนยนังไก็ยอม ครับมนะีเดียกว่าลูกฉันลอกมันเป็นอีกอย่างประเทศเองพอแตจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ตองนั้นนะ่ะเรื่องการศึกษาเราเรียนด้วยความกระตุดอันดีงามหน้าที่การงานไม่สนใจขอจะจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ไปด้ว่อยเรื่อยเรื่องไม่มีวันโตสักทีเดี๋ยวพบเพื่อนคงนั้นเดี๋ยวพบหญิงคนนี้ย <c oughs> ุ่งกันไปหมดเอาคนไหนมาก็หมุนกับผีมาเข้าบ้าน กับไปหมดนี่แหะกับเงินกัดทองเขาแม่กินไ ป, เ, ไป เ, เรื่อยแคะไปเลื่อยเลี้ยงมันไหนก็ไม่โตนอกจากนั้นยังทำจิตใจเขาแม่ให้บอกช้ําไปหมดนี่ขันเนียกว่าลอกนะออกจากนั้นเขาแม่หมดอะไรที่จะให้แล้วหมดกําลังความสามารถที่จะเลี้ยงดูจับสินเงินทองมีมากน้อยมาลอกมาปลอกเอาไปหมดพอเห็นเขาแม่หมดเงื่อหมดตัวแล้วเลิก ไม่มาสนใจเกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นข้าวเป็ น, นแม่ต่อไว้ตามบุญตามกรรมของสองข้าวอยู่ในบ้านะจะเป็นจะตายช่างแม่แก็จะทำยังไงกับทำประจามเกยใจพบฆ้าตะลุมกับไปพบหมู่พบเพื่อนไม่คํานึงว่าเป็นคนดีคนชัว่วเอเดี๋ยวเขาจะชวนไปฉกไปลักไปต้นไปที่ทําความชัว่ว ท, ที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็ถูกขมัดมือแล้วถึง ว, ว่าเข้าไปในเรือนจำอ้าวที่นี่เอาอีแล้วในซาบมาลูกพ่อแม่ในซามาลูกของตัวเข้าไปห้ามขังแล้วเอาอีแล้วนี้ล่อไปอยู่ในตารางทงาําไงที่นี่ล่าพ่อแม่เข้าไปอีกแล้วอื่นเลี้ยุ่งกันไปหมดนี่ลูกก็มีล่อก็มีเล่กเขามีล่าเก็ ม, ก ม, กมีมันหลายประเภทถ้าไม่ถูกกำหลักทเนี้ยจะเป็นทํานองนั้นถ้าถูกกำหลักทำต่างฝ่าต่า ง, างาดาเนินตามหน้าที่ของตัวแล้ว ก็มีความเย็นสมายแต่นี่แหละธรรมะให้ความเย็นแก่ผู้ปฏิบัติจะยากจะง่ายก็ตามเราทําหน้าที่การบ้านการเรือนยากเหมือนกันแต่เราทําเพื่อเพื่อเราถึงยากก็เป็นผลประโยชน์การปฏิบัติธรรมะไ ม, ม่ปฏิบัติเพื่อใครนอกจากปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นจ า, ากตนนักครอบคัวเท่านั้นไม่มีอย่างอืงอ่นเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นผลอย่างนั้นด้วยทพราในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นมากพอต้งควร ถึงขวาอำนาจกุนพระราชนาฏใหญ่นากขุนตามคู่แข่งบรรนาขันทั้งหลายที่ได้อุตส่ามาทันอย่างมากมายถห้เรามีความสุขความเจริญและปฏิบัติตนด้วยความคุ่มหยกระบายโดยทั่วหน้ากันเอง